บุญบรารมีที่สะสมจิตวิญญาณ น, นั้นมาเนี่ยมันได้แล้วไงคุณมีสิทธิ์จะเลือกเป็นผู้ชายก็ได้แต่ตอนนี้คุณไม่เลือกเองคุณอยากจะเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นผู้หญิงเหมือนานางสุปปวาสาขอเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกันมีความสุขมากในการคลอดลูก <c oughs> <c oughs> โอ้โหผู้เจา้าแบบอุาาอทานเลยผู้เจ้าบอกโอ้โหผู้เจ้าอุทานเลยโอ้โหย แมันจิตอย่างนี้นี่อถ้าถ้ากูไั้จริงๆคุณก็ได้จริงๆอันนี้ผู้เจ้ามีตัดไว้เลยเพราะว่าผู้ที่มีวาสนาบารมีถึงเนี่ยเมื่อตั้งจิตปรารถนาต้องการจะเป็นอะไรได้อะไรมันก็จะได้อย่างนั้นแต่ผู้เจ้าจะมีพูดไว้หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าอย่าตั้งจิตไว้ผิด <c oughs> เพราะจริงๆแต่มันได้ดีกว่านั้นทาไมไม่เอาทาไมไปเอาไอ้ที่แย่กว่านั้น จริงมีสิทธิ์ได้นะแต่ทําไมไปเอาต่ํากว่านั้นเราสูงกันนั้นได้แต่มไม่เอาเหมือนเหมือนกับเราสอบอ่ะสมมติว่าเกรดเราได้เราได้คะแนนใช่ไหมที่เขาให้เลือก A B C D อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเขาให้เลือกคุณสอบเนี่ยคะแนนคุณเนี่ยเกรด A ละเพราะงั้นคุณก็มีสิทธิ์เลือก A ก็ได้ B ก็ได้ C ก็ได้ D ก็ได้แต่ไปเลือก D ทําไม เพราะว่าอันนี้มันดีฝรั่งอันนี้มันดีฝรั่งนะดีฝรั่งนี่คือแย่นะไม่ใช่ดีไทยเ อ, อถ้าคุณเลือกดีไทยไม่ว่าเลยใช่ไหมมันก็ดีสิถ้าดีไทยไอ้ น, นี่ไปเลือกดีฝรั่งโอ้ยงี้งก็แย่สิเพราะควรจะเลือกเอสิเอา้าแหมไปเลือกดีซะอีกไอ้เลือกดีเนี่มันโชคไม่ดีนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องรู้เอาไว้อ่าเดี๋ยพูดมากไปเดี๋ยวไม่จบ เอา้าความฝันเรื่องที่สิบห้าหงทองแวดล้อมกาอหม่อมฉันเห็นฝูงหงทองพากันเป็นบริวารแวดล้อมกาที่มีความเร็วสิบประการเรื่องนี้อาจามาเคยเอามาสอนนานแล้วนะความเร็วของกาสิบสิบอย่างคือหนึ่งกาเนี่ยคุณสมบัติสิบอย่างของกานะหนึ่งมักทําลาย สองขนองสามทะเยอทยานสี่กินจุระวังนะวันหลังอ่ะ ก, กินจุนะให้โอ้โหนี่สายกามาแล้ววันนี้เป็นกาแล้วเมื่อกี้ยนะระวังนะกินจุห้าหยาบช้าหกไม่มีความการุณาการุณาหมายถึงอะไรไม่ช่วยเหลือใครวันวันไหนเกิดจิตไม่ช่วยเหลือใคร มาอีกแล้วกาเริ่มมาเยี่ยมเยือนอีกแล้วนะเจ็ดอ่อนแออ่านวันไหนจีตแล้วโอ้อ่อนแอระวังระวังชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นกานะถ้าไปสั่งสมสิบข้อนี่ไปสั่งสมนิสัยสิบข้อนี้มากเข้ามากเข้านั่นแหละนิสัยกาเมื่อเป็นนิสัยกาอนาคตหวังได้ว่าจะเกิดเป็นกา <c oughs> นะข้อที่เจดก็คืออ่อนแอข้อที่8มักจะส่งเสียงร้องเนี่ยมักมักร้องข้อ9้เผลอสติมักจะเผลอสติบ่อยๆข้อ10ก็คือสะสมกาที่ชอบสะสมนะนี่คือ10ข้อความเร็วของของกาตอนนี้เนี่ยก็ฝันใช่ไหมเนี่ยฝันเห็นมีหงทองเนี่ยไปล้อมกา ซึ่งมีความเร็วสิบอย่างนี้ไว้อะไรเป็นผลแห่งความฝันนี้พระเจ้าค้ามหาปะพิธความฝันนี้จะมีผลในอนาคตภายหน้ายุคสมัยนั้นพระราชาจะทุรพลทุรพลแปลว่าฮะทุรพลเนี่ยอย่างพระเนี่ยจริงๆจะใช้สำนวน ว, นว่าโอพระรูปนี้ทุรพลแล้ว ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ลักษณะยากลำบากลักษณะคืออ่อนแอลักษณะคืออ่อนแอนี่นี่ก็นิสัยกาอย่างหนึ่งนะลักษณะอ่อนแอเะะนี่ยพั้นพระราชาทุรพลเนี่ยนี่ก็คือพระราชาแบบกาเนี่ยปรากฏว่าจะมีสมัยที่พระราชาเนี่ยทุรพลไม่ฉล า, าดในศิลปะต่างๆศิลปะนี่ก็คือฝีมือนะไม่มีฝีมือนั่นเองไม่ฉล า, าดในศิลปะต่างๆก็คือ พระราชาพระองค์นี้อ่อนแอมากไม่มีฝีมืออะไรเลยเจ้ไม่แก้วกล้าในการรบทั้งยังไม่พระราชทานความเป็นใหญ่ให้แก่พวกที่มีชาติสกุลเสมอกันคือคือพวกที่เป็นกษัตริย์ด้วยกันหรือพวกที่เขาเก่งพวกอะไรเนี่ยกับไม่ไม่ไปนั่นไม่ไปแต่งตั้งไม่พระราชทานยศอะไรให้เพราะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกที่พวกที่เก่งหน่อยใช่ไหมพวกที่มีศักดิ์ศรีหรือว่าพวกที่ ลบเก่งอะไรพวกเนี้เป็นผู้ซึ่งไม่ยินดีให้ความพี่ใบให้ความพิบัติแห่งราชสมบัติของพระราชาเกิดขึ้นคือคือคื อ, คอถ้าได้พวกที่เป็นกรรษัตริย์ด้วยกันหรือว่าอะไรด้วยกันเนี่ยแต่งตั้งเขาซะหมายถึงว่าข้าราชาบริพารอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นอํามาตะเป็นขุนนางเป็นอะไรก็แต่งตั้งให้พวกพวกสกุลอะไรอะสกุลดีๆ ด, ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ ความพวกนี้เขาก็จะต้องป้องกันพวกพวกสกุลเดียวกันกับเขาอะใช่ไหมแต่เนี่ยเพราะไม่ชอบใช่ไหมก็เลยไม่แต่งตั้งพวกนั้นแต่กับพระราชทานยศใหญ่โตแก่พวกไหนคนนี้พวกพนักงานรับใช้ที่ไร้สกุลผู้ซึ่งคอยดูแลใกล้ชิดบาดมูลของพระองค์คือพูดง่ายง่ายว่าไปแต่งตั้งแต่พวกที่ขอใช้สํานวัเดียวนี้ก็คือพวกใกล้ชิดพวกประจบสอบพรอนั่นเอง นะพวกที่มีฝีมือพวกอะไรกับไม่ไปแต่งตั้งไม่ให้ไปทำงานส่วนพวกประจบสอบพลอเนี่ยใกล้ชิดบาทบูญของพระ อ, องค์เนี่ยคือคือพวกใกล้ชิดนั่นเองเ<ะไ>มื่อพวกที่สมบูรณ์ด้วยชาติสกุลไม่ได้ที่พึ่งภายในราชสกุลก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่รอดได้จึงพากันจึงพากันไปปรนิบัติรับใช้พวกไร้สกุลที่มีอิสริย ย, ยศ มีอิสริยยศก็คือพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆนั่นเองเนี่ยก็เลยเป็นไงเป็นประดุษฝูงหงทองเป็นบริวารแวดล้อมกาไว้ฉะนั้นแม้ภายในความฝันเรื่องนี้เป็นเหตุก็มิได้มีแก่พระ อ, องค์อย่างแน่แท้นะสรุปก็คือจากความฝันเรื่องนี้พูด ง, ง่ายๆเอาอีกแล้วพระราชา คือไม่ยุติธรรมอะ่ะไปแต่งตั้งไม่เป็นสับ ป, ประรดเลยพูดง่ายๆนะก็เลยทําให้พวกพวกที่เป็นคนดีๆอยู่รอดไม่ได้พวกคนดีๆก็เลยต้องเพื่อจะอยู่รอดก็เลยต้องมาคอยมาประจบพวกพวกมีอานาจพวกเป็นใหญ่ไม่ได้ไปประจบพระราชานะแต่ต้องมาประจบพวกพวกขุนนางพวกข้าราชการที่พระราชาไปแต่งตั้งให้ อาฝันเรื่องที่16เสือกลัวแพโดยปกติแล้วนั้นเสือเหลืองมักจะกัดกินแพแต่หม่อมฉันกับฝันเห็นฝูงแพพากันไล่กวดเสือเหลืองไล่ทันก็ลุมกัดกินเสือเหลืองกันอย่างมุมมามแม้แต่เสือดาวเสือโคร่งในบริเวณนั้นพอเห็นฝูงแพแต่ไกลก็พากันสะดุ้งหวาดกลัวเกิดความสยดสยอง จนต่างก็วิ่งหนีไปหลบซ่อนตามสมุทุมพุ่นไม้และป่ารกฝันเห็นอย่างนี้แล้วจะมีภัยหรือเป็นลางบอกเหตุอะไรพระเจ้าค่านะฝันไม่ดีทั้งนั้นเลยมหาบาพิษผลความฝันนี้ก็จะเกิดในยุคสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในการอนาคตเหมือนกันยุคนั้นพวกคนชั่วช้าไร้สกุลจะได้เป็นราชวรลบ รู้ไหมราชบัลลบคืออะไรฮะราชบรรลบคืออะไรก็คือคนสนิทของพระราชา <c oughs> นะเขาเรียกพวกใกล้ชิดนะเลเนี่ยพวกใกล้ชิดพวกคนสนิทของพระราชาพวกข้าราชการพวกอะไรที่ที่รับใช้ใกล้ชิดอยู่เขาเรียกว่า <c oughs> พวกราชบรรลบ <c oughs> นะัก็เหมือนกันนะคร้าข้อตะกี้เนี่ยคือพวกราชบรรลบเนี่ยได้เป็นใหญ่เป็นโต แต่พวกคนดีมีสกุลจะอับเฉาตกยากราชวัลลบเหล่านั้นพากันทาให้พระราชาทรงเชื่อถือถ้อยคำจึงมีกำลังทั้งในสถานที่ราชการทั้งในโรงศาลก็หมายยึดเอาที่ดินอันเป็นมรดกต่อทอดของสกุลทั้งหลายพวกคนดีมีสกุลก็โต้เถียงฟ้องร้องต่อศาลแต่พวกราชวัลลบก็สั่งให้เคี่ยนด้วยวย แล้วใสหัวไปคือพูดง่ายๆว่าก็อยากจะสู้กับพวกนี้นะแต่ไปฟ้องร้องไปขึ้นศาลก็สู้ไม่ได้เพราะพวกนี้มีอิทธิพลพวกนี้ก็เลยกลายเป็นสั่งเลยสั่งศาลนั่นแหละสั่งศาลไม่ใช่สั่งกรกตสั่งศาลนั่นแหละให้แบบว่าให้จัดการเลยให้ไปเคี่ยนให้ไปทาร้ายให้ไปอะไรเลยด้วยซ้าไป เพราะนั้นพวกดีๆนี่ตอนเนี้เขาจะโกงเขาจะมายึดที่ดิ น, นใช้อำนาจจะยึดที่ดินซะก็สู้ไม่ได้น้ำซ้ำไม่เพียงแต่สู้ไม่ได้นะแพ้คดีแล้วนะยังโดนเคี่ยนไปอีกโอ้เพราะนั้นเนี่ยเสร็จแล้วพอพอสั่งเคี่ยนพวกพวกเจ้าของที่ดินแล้วใช่ไหมพร้อมกับคมขู่คุก ค, คามว่าพวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตัวเอง ถึงมาหาเรื่องกับพวกเราพวกเราไปทูลพระราชาให้ลงโทษพวกเจ้าก็จะโดนลงพระราชออาญาตัดมือตัดเท้าทิ้งเสียฉะนั้นจงใสหัวไปคือพูดง่ายๆว่าอำนาจเต็มที่เลยเพราะฉนั้นไม่มีสิทธิ์มาหืออะไรเลยนะโดนเคี่ยนตีอะไรแล้วโดนไล่ไปแล้วก็ยังกำชับไว้นะขืนมาอีกนะเดี๋ยวคราวนี้ จะทูลพระราชาให้พระราชาลงโทษเลยคนนี้จะหนักกว่านี้นะจะโดนไม่รู้ตัดหัวหรือตัดมือตัดเท้าเลยแหละในที่สุดพวกคนดีมีสกุลก็เกรงกลัวต่ออำนาจต่างก็ยินยอมมอบที่ดินให้พวกราชวัร ล, ลบครอบครองแต่โดยดีแล้วพากันกลับบ้านเรือนของตนพอกลับบ้านไปใช่ไมัมยังเหลือบ้านนะเอาที่ดินอะไรต่างมรดกเนี่ยต้องยกให้เขาไป พอกลับบ้านก็ไปเฝ้านอนหวาดผวาอยู่ขนาดขนาดยอมยกให้แล้วก็ยังต้องนอนหวาดผวาอยู่เลยว่าไม่รู้จะโดนเล่นงานอะไรอีกยุคนั้นแม้ภิกษุที่ชั่วช้าทั้งหลายก็กระทำตามใจชอบพากันเบียดเบียนภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักจนทำให้ภิกษุที่ดีไม่อาจทำนักอยู่ได้ต้องพากันเข้าป่าซ่อนตัวอยู่ในที่รกร้าง นี่ขนาดภิกษุนะต้องหนีเลยทั้งคนดีและภิกษุมีศีลถูกประทุดร้ายจากคนชั่วช้ากับภิกษุรามกนั้นนี้เป็นภายในอนาคตไม่ได้มีผลใดต่อพระองค์เลยคือฝันข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่16สรุปก็คือทั้งคนดีที่เป็นฆรวาดทั้งนักบวชที่ดีอยู่ไม่ได้เลยงานนี้ แล้วก็ไม่เพียงแต่อยู่ไม่ได้นะโดนขับไล่โดนขับไล่เสร็จแล้วเนะี่ยยังไงก็ต้องต้องมีที่พักใช่ไหมขนาดไปไปมีที่พักที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังต้องหวาดผวาเลยก็ยังต้องกลัวเลยไม่รู้ว่าจะโดนเล่นงานเมื่อไหร่ส่วนพระเนี่ยก็อาจจะหนีไปอยู่ป่าเลยหนีไปอยู่ป่าอะไรนะ อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำก็ได้นี่อยู่ปา่าอยู่เขาอยู่ถ้ําก็เหมือนกันแหละก็คือต้องหนีนะณ น, นี้ขค อ, ขอที่สุดละบุญง่ายอยู่ไม่ได้เลยดังนั้นพระสุบินนิมิตทั้งสิบหกเรื่องจะมีภายในอนาคตเท่านั้นมิได้มีอันตรายใดต่อพระองค์พวกพราหมณ์ทํานายฝันให้พระองค์ด้วยความไม่จงรักภักดีโอ้พูดเปียงเลยนะ ว่าว่าเนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยรจริงๆก็ทิพยากรไปนี่ถ้าใช้หนักๆ ก, ก็คือหลอกพระองค์เท่านั้นเองนะด้วยความไม่จงรักภักดีด้วยความไม่ถูกต้องทํานายไปเพียงเพื่อผลประโยชน์แห่งการเลี้ยงชีพของตนเห็นแก่อามิ t h ที่จะได้ทรัพย์สิ่งของมากมายนั่นเองไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะพูดไปตามตรงตามจริงเลยดูก่อนมหาปพิธ ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระองค์ทรงได้ฝันเห็นเรื่องเหล่านี้แม้พระราชาในการก่อนก็ทรงเคยฝันเห็นมาแล้วเหมือนกันบอกเอาพ ร, พระองค์ไม่ใช่เป็นเป็นบุคคลแรกนะที่ฝันสิบหกเรื่องเนี้ยบอกอดีตในอดีตการนานพ้นมีมีฝันสิบหเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสดับเช่นนั้น ก็ทูลอาราธนาให้ตรัสเล่าพระาศาสดาจึงทรงนำเรื่องราวในอดีตนั้นมาสาธกสาธกถ้าใช้คำว่าสาธกก็หมายถึงว่าก็เล่านั่นแหละเล่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นเขาเรียกว่าสาธกวันตัวชาดกยังไม่เริ่มนะทั้งหมดนั่นแค่เป็นต้นเหตุ <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้เริ่มตัวชาดกในอดีตการ สมัยที่พระเจ้าพรหมทัตสเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งทรงทอดพระเนตรพระสุบินนิมิตสิบหกเรื่องซึ่งล้วนประหลาดหน้าสะพึงกลัวจนตกพระทัยตื่นจากบรรทมเหตุการณ์ต่อมาเป็นทำนองเดียวกันพวกพราหมณ์ปุโรหิตเสนอใหบ้บูชายันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีสิทธิ์ที่เป็นบัณฑิตผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดของพราหมณ์เหล่านั้น ได้ถามอาจารย์ของตนว่าท่านอาจารย์ในคำภีพระเวททั้งสามข้อที่กล่าวว่าการฆ่าผู้ใดผู้หนึ่งแล้วทาให้เกิดความสวัสดีแก่อีกผู้หนึ่งนั้นไม่มีเลยไม่ใช่หรือคงพอจำต้นเรื่องได้ไม่รู้จำได้เปล่า <c oughs> คืออันนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กสนใช่ไมฝันเสร็จเอามาเล่าให้พามฟังพามบอกโอ้โหอย่างนี้ต้อง อ่าต้องทําพิธีบูชายันแต่ตอนนั้นมันไม่มีใครมาอะไรใช่ไหมแต่มีพระนางมาริกาเทวีที่มาบอกให้พระเจ้าปเสนที่โศลไปเข้าเฝ้าพูจิเจ้าให้ไปถามเรื่องนี้แต่ในอดีตการปรากฏว่าพอพวกพราหมณ์ปุโรหิตนี่เสนอทําพิธีบูชายันปับ๊บปรากฏว่าลูกศิษย์ของพรามคนนี้ถาม ถามอาจารย์ตัวเองว่าเอ่อก็เนี่ยในคำภีร์ของพวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็เรียนมาเนี่ยไม่เห็นมีบอกเลยว่าว่าฆ่าคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วจะไปสร้างความเจริญให้กับอีกคนหนึ่งได้บอกมันจะแบบจะเป็นบุญเป็นกุศลไปช่วยอีกคนหนึ่งได้อะเหมือนกับนี่แหละที่คนยังเข้าใจผิดเวลามาทําบุญใส่บาตรพระเนี่ยนะบบางทีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเงี้ย หรือฆ่าเองก็ตามหรือจ้างคนอื่นเขาฆ่าให้ก็ตามคือไปซื้อเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาทําบุญใส่บาตพระแล้วก็มาเข้าใจผิดว่าตัวเองได้บุญนี่นี่แหละเหมือนกันกันกบที่ลูกศิษย์ของพราหมณ์คนเนี้ถามว่านแม้แต่ในศาสนาพราหมณ์ยังไม่มีบอกเลยว่าอย่างนั้นละได้คือไปทําร้ายคนหนึ่งเนี่ยคือไปไปสร้างบาปสร้างกรรมกับคนหนึ่งแล้ว จะทำให้อีกคนหนึ่งได้บุญมันจะได้บุญได้ยังไงอ่ะมันไม่มีทางไปทําผิดศีลไปทําบาปกรรมแล้วมาบอกว่าได้บุญเป็นไปไม่ได้เนี่ยลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์อย่างนั้นนหะว่าอาจารย์ตอบว่าไงรู้ั้ยบนสมัยก่อนเขาพูดตรงอาจารย์บอกว่าก็ใช่คาว่าก็ใช่ก็คือใช่มันไม่มีหรอกแต่ด้วยอุบายบูชายันนี้จะทาให้ข้าวของเงินทอง เกิดขึ้นแก่พวกเรามากมายหรือชลอยเจ้าอยากจะรักษาพระราชทรัพย์ให้แก่พระราชาพูดตามตรงเลยว่าหลอกพระราชา น, นั่นเองว่าเนี่ยหลอกเอาทรัพย์อ่ะจะได้ของกินของขอบเคี้ยวได้เงินทองอะไรมาท่านอาจารย์กล่าวเช่นนี้คือบอกว่าหรือหรือแกเนี่ยอยากจะช่ชวยอะไรอะ่ะรักษาทรัพย์ของพระราชาไว้ล่ะ ก็ถ้าท่านอาจารย์กล่าวเช่นนี้ก็ขอให้อาจารย์กระทำกระทงานต่อไปเถิดส่วนกระผมจะกระทำอะไรได้ในที่นี้คือลูกศิษย์ก็บอกโอ้โหถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เขาก็ไม่รู้จะเถียงยังไงกับอาจารย์แล้วละ่ะเพราะอาจารย์อยากจะทำนี้ก็ทำไปเถอะแต่เขาเองเนี่ยไม่เอานะเขาเขาอยู่ที่นี้ไม่ได้แล้วก็ไปแล้วก็เดินจากไปเดินไปเรื่อยเรื่อจนกระทั่งถึงพระราชอุทยานนอกเมือง คือไม่รู้จะทำไงนะแก้ปัญหาไม่ได้ก็เดินไปเรื่อยเลยเดินไปจนกระทั่งไปถึงพระราชอุทยานนอกเมืองเลยนะก็ได้พบกับฤาษีตนหนึ่งผู้สำเร็จอภิญญาสมาบัตินั่งเด่นเป็นสง่าดุดรูปรอจากทองคําอยู่บนแผ่นศิลาก้อนใหญ่จึงเข้าไปไหว้แล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระฤาษีได้ทักทายเขาก่อนนั่งก็พูดคุยกันไปอ่ะ สักครู่จึงถามว่าเป็นอย่างไรเล่ามานบมานบนี่หมายถึงว่าพวกพราหม์เอ่อพวกคนในวันวนหน้าพราหม์เนี่ยถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเรียกว่ามานบนะเป็นเป็นคำกลางกลางเอาเป็นอย่างไรเล่ามานบพระราชายังเสวย ร, ราชสมบัติโดยธรรมอยู่หรือข้าแต่พระคุณเจ้าพระราชายังได้ชื่อว่า เป็นรร ม, มิก ร, ราชอยู่แต่พวกพราหมณ์ปุโรหิตกำลังชักนำพระราชาให้ไปทางผิดเพราะพระราชาทรงฝันร้ายส6บหเรื่องพวกพราหมณ์ให้แก้เคล็ดด้วยพิธีบูชายันชีวิตสัตว์ทั้งหลายขณะนี้เตรียมการกันอยู่พระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจะช่วยให้พระราชาทรงเข้าพระทัยได้ไหมขึ้นชื่อว่าพิธีบูชายั์แก้ฝันร้ายนั้นบิได้ช่วยให้ พ้นภัยได้เลยลูกศิษย์รู้นะว่าช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้นะไ อ, อ, อพิธีกรรมนั่นแหละแต่ก็ถามพระฤาษีนี่แหละว่าพระฤาษีจะช่วยได้ไหมมานบเอย๋ยเราเองไม่รู้จักพระราชาพระราชาก็ไม่ได้ทรงรู้จักเราจะให้ทำอย่างไรนอกเสียจากพระองค์เสด็จมาในที่นี้เราก็จะบอกความจริงเรื่องผลของความฝันร้ายทั้งหมดแก่พระองค์ ได้ยินเช่นนั้นสุดแสนจะดีใจมานอบรีบกล่าวว่ากระผมจะรีบไปพาพระ อ, องค์เสด็จมาพระกุญเจ้าโปรดรอกระผมสักครู่เถิดเอาเลยนะบอกให้รอตรงนี้เลยนะมานอบรีบกลับสู่พระราชวัง ท, งทันทีกราบทูลต่อพระราชาข้าแต่มหาราชเจ้ามีฤาษีผู้อย่างรู้มาจากป่าหิ ม, มพานขณะนี้พนักอยู่ที่พระราชอุทยาน จะทํานายผลของความฝันของพระ อ, องค์กําลังรอพระ อ, องค์อยู่พระเจ้าค่ะพวกพราหมณ์ทํานายฝันให้พระราชาหรือเปล่า พ, พวกพราหมณ์ไม่ได้ทานายเลยเพียงบอกว่าจะเกิดเหตุร้ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระราชานี่จะถึงแก่ชีวิตหรือจะป่วยจะอะไรนะั่นไงบอกแต่อย่างนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ทํานายฝันอะไรให้เลยอ่าเพราะนั้นพระราชาจริงๆแล้วยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่ฝันไปมันเป็นยังไง วันพอลูกสิธิ์ของพราหมณ์เนี่ยมาบอกใช่ไหมบอกว่านเนี่ยมีผู้จะทำนายได้ไมพระราพระเจ้าพ ม, มัททัตทรงสดับแล้วทรงปรารถนาจะรู้ผลความฝันร้ายของพระองค์ยิ่งนักจึงรีบเสด็จไปพร้อมด้วยบริวารทันทีถึงแล้วประทับนั่งณที่ครวรตัดถามก่อนอื่นใดว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้ารู้ผล ของความฝันร้ายทั้ง16เรื่องนั้นหรือขอถวายพระพรมหาพระพิษอาตมาภาพรู้อยู่ถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าช่วยทำนายด้วยเถิดมหาพระพิษจงฟังอาตมาภาพจะทำนายถวายให้ทรงทราบความจริงเชิญมาหาพระพิษตรัสบอกความฝันทีละเรื่องเถิดจะตอบถวายทีละเรื่องแก่พระองค์ ความฝันทั้งหมด16เรื่องและการทํานายฝันนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลที่พระผู้เจ้าทรงพยากรณ์นั่นแหละมันคือพูดง่ายว่าฝันเหมือนกันเลยทั้ง16เรื่องและพระฤาษีก็ทํานายฝันให้เหมือนกับที่พระเจ้าทํานายฝันให้ในที่สุดพระฤาษีได้ทูลกับพระเจ้าพรหมทัตว่าผลของความฝันร้ายเหล่านี้ยังไม่มีในยุคสมัยของพระองค์ ภยใดภายใดยใดจิงไม่มีแก่พระองค์ได้เลยเพราะเหตุนั้นการบูชายันที่กำลังต่าเตรียมกันอยู่เพื่อปัดเป่าผลแห่งความฝันร้ายนั้นจึงไม่เป็นจริงเป็นความไม่ถูกต้องพระองค์โปรดยกเลิกการบูชายันนั้นเสียเถิดเมื่อได้แสดงสัจจะใหพ้พระเจ้าพรมทัดทรงเบาพระทัยแล้วพระฤาษีก็อารากับสู่ป่าหิมพาน นับตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงดำรงมั่นในศีลห้าทรงตั้งอยู่ในโอวั้ของพระฤาษีทรงทำบุญให้ทานไปจนตลอดพระชนนคือพูดง่ายๆว่าพอพระราชาดูความจริง ก, ก็ให้ยกเลิกพิธีบูชายันทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือตัวชาดกนะก็พอพระาศาสดาคันตรัดแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้ว ทรงให้พระเจ้าประเสณที่โกศลเลิกบูชายันพระราชทานชีวิตเป็นทานแกสัตว์โลกทั้งปวงแล้วทรงเฉลยชาดกนั้นว่าพระเจ้าพรหมทัตในสมัยนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในการนี้มานอบรูปสีของพราหมณ์ในสมัยนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในการนี้ส่วนพระฤาษีนั้นได้มาเป็นเรลาตถาคตนี้เอง <c oughs> นะเพราะแสดงว่า พยากรมาหลายทีแล้วเออแต่ก่อนเคยพยากรเดี๋ยวนี้ก็ได้พยากรอีกจริงๆเรามาฟังเนี่ยก็เท่ากับเราได้มาฟังผู้เจ้าพยากรให้เราอีกกันแหละอ้าเอาสรุปนาชาดอกเรื่องนี้อาตมาบอกแล้วเราก็ดูทั้งโลกรูปนี้ทั้งสังคมที่เราอยู่ว่าเออเป็นอย่างที่ผู้เจ้าพยากรแล้วหรือยังแล้วถ้าเป็น เราจะแก้ไขยังไงได้บอกแล้วทั้งหมดนี้ถ้าเราสรุปโดยกว้า ง, างจะเห็นได้เลยว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นจากคนไม่มีธรรมะคนไม่มีศีลคนไม่มีคุณธรรมที่ทำให้เกิดขึ้นนะเหตุร้ายทั้งปวงในในโลกนี้อตอนี้สรุปลงมาที่ตัวเราเพราะนั้นไอ้เรื่องรังร้ายทาั้งหลายที่เกิดกับตัวเรา เกิดจากเราไม่ยอมปฏิบัติธรรมบางทีบางคนรู้ทำแล้วแต่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นบิบากเนี่ยมันยังมาเล่นงานเราได้อยู่ตลอดแล้วเราก็เป็นคนไปสร้างบิบากนั้นเองด้วยใช่ไหเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวที่จะแก้ได้ก็คือเราต้องปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นนะให้ให้ใ ห, ให้เป็นอธิให้ยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้น เป็นอธิศีนเป็นอธิตบะอะไรอย่างเงี้ยนะให้ยิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่งเอเอเ อ, อนาคตทั้งหลายเนี่ยอนาคตที่จะวิบัติที่มันจะเป็นฝันร้ายเป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดไปตามความเป็นจริงของของกรรมที่ใครไปทําไว้อ้วันวันไหนที่ เกิดโชคร้ายให้รู้ว่าวันนั้นกรรมมาตามทันกรรมมาตามทันแล้วว่าให้เราคิดอยู่อย่างเดียวคือโอ้โหเราต้องรีบนะสะสมบุญบรารมีให้มากยิ่งขึ้นเพราะมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะฝันดีเราจะฝันดีเราจะเลือกเจอกับฝันร้ายทั้งหลายนะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตแลวจะเป็น ส, สุขที่แท้จริงด้วย จะเป็นบารมมาสุขอ่ะวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะ